เพราะว่าการตรัสรู้สิ่งเหล่านี้จะทําให้พ้นจากทุกข์นะองค์จึงสอบถามตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ว่าอะไรหนอเป็นอัสาธะของธาตุสี่ของธาตุดินน้ําลมไฟนะดินก็ไม่ได้เน้นไปที่แผ่นดินเนี่ยดินภายนอกกับดินภายในเราห่วงดินภายในมากกว่าเนี่นะมันก็ดินทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหมดนั่นแหละธาตุน้ําทั้งธาตุน้ําภายในธาตุน้ําภายนอกธาตุไฟภายในธาตุไฟภายนอกธาตุลมภายในธาตุลมภายนอก พรองก็ถามว่าอะไรคือท่าสี่ก่อนนะนะก็รู้ชัดวิเคราะห์ไม่มีส่วนเหลือแล้วอะไรเป็นอสสาธะของท่าสี่เหล่านี้แล้วโทษของท่าสี่เป็นอย่างไรนั่นคืออารทินวะแล้วถ่ายถอนพ้นจากท่าสี่ได้อย่างไรอันนั้นเป็นมิสรณะครั้งแรกที่พระ อ, องค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์ตั้งโจทย์ถามก่อนนี่ยนะก็คือปุจฉาปุจาวิรยะ์ปุจฉาวิจยรยาระนั่นเองคือ เพราะว่าวิจยาย์หาระมีสิบเอ็ดใช่ไหมบทปุจชาวิสัชนาปุภาประแล้วก็อาสาทาอาทีนาวะนิสรณ ะ, ะอุบายผลอุบายอานัตอนุขีตินั้นไอวิจยาย์หาระก็คือสําคัญที่ปุจชาวหาระตั้งเป็นประโยคคําถามการตั้งคําถามเป็นเนี่ยจะประกาศถึงว่าผู้นั้นจะเจริญอะไรทุกอย่างเป็นตั้งคําถามในเรื่องศีลเป็นคนนั้นจะรักษาศีลดี ตั้งคำถามในเรื่องสามาร t h ได้คนนั้นเจริญสามาถะเป็นตั้งคำถามในเรื่องการอบรมปัญญาได้ก็เจริญปัญญาเป็ น, น, นก็สําคัญก็อยู่ที่การสอบถามพระพุทธเจ้านี้ก็ถามก่อนบางทีก็ใช้คําว่าปริวิตกขึ้นตรึกขึ้นว่าเอ๊ะอะไรหนอเป็นอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของธาตุสีาอย่างในธาตุสังยุทธ์นะถ้าในขันธทวรวะก็บอกอะไรหนอเป็นเหตุเกิดเป็นอาศาัศธาอาทีนวะนิสรณะของ อุปาทานขันท่าถ้าสลายยตนาวัค ก, ก็บอกว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเกิดความดับอสาฐท า, าอาทีนวะนิสรณะของผัสสะยตนาหกนั่นนะก็จะแสดงโดยประการที่หลากหลายแต่จริงๆใจความโดยอัฏฐก็คืออันเดียวกันว่าตัวทุกขนั้นน่ย น, นะทุกขสัพเนี่ยก็มีอัฏฐะอยู่นะอุปาทานขันท่าก็มีอาาาัฏฐะแล้วบางแห่งก็บอกว่าถ้าไม่มีอัฏฐะศ า, าสตร์ทั้งหลายไม่พึงติดเป็นแน่ ถ้าถ้าสีไม่น่ายินดีเนี่ยนะก็ไม่มีใครติดถ้าอุปาทานขันห้าไม่น่ายินดีสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ติดถ้าภาษายตนาหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่น่ายินดีสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ติดแต่เนื่องจากว่าอาสาธะความน่าปรารถนาของสิ่งเหล่านี้มีอยู่ถามว่าชีวิตนี้มีอศาศะทะไหมมีเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดข้องห่วงแหนรักชีวิตมากชีวิตน่ามีอาสาธะ ถามว่าชีวิตมีอาทินะวะไหมเพราะพระองค์ก็เห็นโทษของชีวิตเหมือนกันเถะเห็นโทษของการมีชีวิตแต่ถามว่าพระองค์ไปฆ่าตัวตายใช่ไหมไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเห็นโทษของการมีชีวิตในวัฏฏนะเห็นโทษของการมีชีวิตทั้งหมดในวัฏฏะชีวิตของสัตว์ที่อยู่ในวัฏฏะเป็นยังไงบ้างนะมีทุกข์อะไรบ้างทุกเนืองนิดถ้าทุกข์โดยวัฏฏะเห็นชัดก็ทุกข์ของการเกิดในอบายถามว่าทุกข์ไหม นรกเปรตอสุรกายและหมู่เดรฉ า, านทั้งหลายก็ทุกข์แล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อะทุกข์ตั้งแต่ตอนไหนทุกข์ตั้งแต่การยังลงสู่คันแห่งมารดาหลังลวันนั้นอะหลังจากนั้นเนี่ยความทุกข์ก็ประดังขึ้นประดังขึ้นตั้งแต่เกิดมาเลยแหละเกิดมาเรื่อยๆเมื่อไรที่เรากลอบเกลื่อนความทุกข์เหล่า น, น, นั้นได้เราก็ได้ว่าเรามีความสุขแต่จริงๆก็คือกลบเกลื่อนแก้ปัญหาได้เหมือนกับว่าหิวแก้ปัญหาด้วยการทานซะ ถามาแก้ปัญหาได้จริงๆริงไหมความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นแผลที่เรียกว่าปิดแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่เซเนตสักทีหนึ่งถึงเวลาก็ลองพระเทศถึงบ่ายสองดูเถอะเนี่ยนะกระสับกระส่ายขึ้นไปเยอะแล้วนะะนั้นก็ความหิวเนี่ยถือว่าเป็นโรคอย่างยิ่งนั่นแหละเพราะนั้นพวกชีวิตเนี่ยต้องปุกปักรักษาหาอาหารเป็นต้นมาเลี้ยงดูแต่ขนาดนั้นเนี่ยชีวิตเชื่อฟังไหม ไม่เชื่อฟังอ่ะนะโรคภัยไข้เจ็บเกิดได้สารพัดสารพัดโรคโรคทั้งหลายไม่ได้เกิดที่ต้นไม้ใบหญ้านี่เกิดที่ในกายยาววานะคือกว้างศอกนี่แหละเนีย่ยนะขนาดดูแลขนาดนั้นโรคภัยก็มามากลุ่มรุมบริหารธาตุดินมากกว่าผิดธาตุน้ําบริหารธาตุน้ําผิดธาตุไปบริหารธาตุไปผิดธาตุลมบริหารธาตุลมมากผิดธาตุดินนี่ก็บริหารอยู่ยากเนี่ยบริหารตาผิดหู บริหารหูผิดจมูกบริหารบริหารจมูกผิดลิ้นบริหารลิ้นผิดร่างกายบริหารตาหูจมูกลิ้นกายผิดใจอย่างไงก็บริหารไปมันขัดกันเองวุ่นวายไปหมดเลยนะก็ทุกอนะนะบางคนก็คิดจนเป็นทุกข์นันะ่นแหละหาเรื่องมาคิดจนทุกข์นันะ่นแหละวันนี้ฝนจะตกไหมน้องนี่ <c oughs> ถ้าฝนตกเราจะทํายังไงดีเนี่ย น, นะก็คิดจนหาเรื่องทุกข์จนเป็นอ่ะนะบางคนในขนาดนั้นในพวก ว, วิตกกังวล พวกพยาบาทวิตกเนี่ยนะพวกพยาบาทวิตกคิดหาเรื่องจนตัวเองเดือดร้อนพวกกางมาวิตกก็คิดจนคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยนะกลามาวิตกเนี่ยตัวเองอยากได้ประโยชน์ใช่ไหมคนอื่นก็เดือดร้อ น, น, นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็เป็นทุกข์แล้วถึงว่าอ้าวชีวิตมันก็มีความสุขอยู่บ้างไม่ใช่หรือถึงความสุขเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งสุขเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งมันน้อยเกินไปที่จะ ไปเพลิดเพลินเนี่ยนะไม่เพียงพออ่ะถ้าใครเคยเป็นโรคผิวหนังเนี่ยนะถามว่าเป็นโรคผิวหนังนี่มีความสุขไหมมีอยู่บ้างนะตอนที่มันได้เก่าเออในในเชื่อนะลองสมมติว่าเป็นเป็นผื่นเป็นอะไรขึ้นมานะโอ้โหตอนเก่าเนี่ยเออมันก็มีความสุขดีเหมือนกันแต่เก่าจนเป็นแผลเป็นหนองอะไรเกิดขึ้นเนคีคราวนี้เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะเป็นโรคผิวหนังไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขนะก็มีตอนเก่า น, ะนะั่นแหละก็บอกว่า คนปีโรคเรื้อนนี้ก็มีความสุขนะตอนไหนก็ตอนย่างไฟไงแต่ถ้าเทียบกับคนไม่มีโรคไหนสุขกว่ากันถ้าคนไม่มีโรคสุขกว่ามันพระอรหันต์ท่านสุขกว่าเพราะท่านไม่มีโรคนะนะสากขังหลายที่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้เป็นทุกข์ถึงความสุขจะมีอยู่บ้างแต่ก็น้อยเกินไปนันท่านองค์จึงต้องหาทางเพื่อจะถ่ายถอนจากความยึดถือจากสิ่งเหล่านี้สมัยพุทธกาลนีเขาตั้งคำถามว่า นไตั้งคาถามนะคุ้นเคยกันนะถ้าอ่านในพระไตรปิฎกบ่อยๆว่าทําอย่างไรหนอจะละความสําคัญว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเนะี่ยอาหารการเมาัองการและสัพพานิมิตภายนอกทุกชนิดคือหมายว่าเขาเบื่อในสังขาราธาตุทุกชนิดสังขาราธาตุทุกชนิดเนี่ยไม่มีดีสักอย่างไอคําว่าไม่มีดีนี่หมายคำว่าไม่ดีจริงสักอย่างถึงสิ่งเหล่านั้นจะดีในตอนต้นแต่ก็ตอนหลังก็ไม่ใช่เนี่ย บางอย่างก็ดีทั้ง เ, เสียหายในตอนต้นดีท่ามกลางนิดหน่อยหลังจากนั้นอีกก็ไม่ใช่อีกแล้วนั้นก็ทํายังไงที่จะถ่ายถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้แหละที่พระองค์ต้องเอามาแสดงเป็นลําดับแรกแสดงอสาธาแสดงอาทีนวะแล้วก็แสดงนิสรณะนั้นพระธรรมของพระองค์ที่แสดงจะแสดงอนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถาทานะกะถาศีละกะถาสักฆะคาถาก็คือแสดงอัศาตานั่นเองเนี่ยนะเป็นการแสดงอัาธะ หลังจากนั้นก็ประกาศการมาทีนวะกถาก็คืออาทีนพการประกาศอาริยสัจในตอนท้ายก็คือประกาศนิสรนะณะนั้นพระธรรมทั้งหมดที่พระองค์แสดงก็จะแสดงไปเพื่อนิสรนะณะแสดงอศัศธาอาทีนวะและนิสรณนะเพราะพระองค์ต้องการให้สัต์พ้นทุกอย่างแท้จริงนั้นการที่จะพ้นทุกได้อย่างแท้จริงก็คือการนิสรณนะ ทีนี้นิสรณะเนี่ยตัวที่นิสระเนี่ยระดับโสดาปฏิมัคสกทาคามีมัคอนาคามีมัคและอรหัตมัคโสดาปฏิมัค ก, ก็สรณะณะนิสระจากทุกได้ระดับหนึ่งตัวโสดาปฏิมัคเนี่ยเราขอเอาถ้าเอาโสดาปฏิมัคเป็นสรณะนะทำมังสาระนังขาชามิแต่โสดาปฏิมัคจะไม่เอาอะไรเป็นสรณะแยกสองส่วนนะ โซดาปฏิม the ักเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหวังว่าจะต้องเอาโสดาปฏิมักเป็นต้นเป็นสารณะแต่ตัวโสดาปฏิมัคเนี่ยจะนิสรณะจากทุกทั้งหมดเนี่ยนะจะออกจากทุกทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้นิสรณะของสกะทาคามีมักล่ะโสดาปฏิมักออกจากอบายทุกขทั้งหมดออกจากทุกในภพที่แปลเป็นต้นสกะทาคามีมักออกจากทุกขเหลือเหลือชาติเดียว เป็นมนุษย์ทุกชาติเดียวถ้าอาาคามีมรรคไม่ต้องมีตามมาพบถ้าอารหัตตมรรคไม่ต้องมีพบทั้งปวงเพราะฉะนั้นตัวมรรคเนี่ยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นจึงสลัดออกจากทุกทั้งปวงจุดประสงค์ของคําสอนทั้งหมดก็จะแสดงอาศาาัศสาทาอาทีนวะและนิสรณะเนี่ยนะนิสรณ ะ, รณะทีนี้ถามว่าถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วได้ผลอย่างไรผลก็คือโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนณาคามีผลและ อรหัตตะผลอันนี้ผลอย่างสูงก่อนถามว่าถ้าไม่ได้ขนาดนั้นละ่ะก็อย่างน้อยที่สุดก็เกิดในสุคติพบก็ยังดีอันนี้คือเรียกว่าเป็นอ น, นิสังสผลถามว่าจะได้ผลคือโสดาปฏิมักเป็นต้นเนี่ยนะปฏิบัติด้วยอุบายอย่างไรอุบายเหล่านั้นก็คือการเจริญวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะแ น, แนวแนวิธีทางการเจริญวิปัสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญวิปัสนาสอนอยังไง ถ้าเอาแต่สาระเลยนะบอกว่าท่านอยากคิดอย่างนี้ท่านจงคิดอย่างนี้ท่านจงละสิ่งนี้ท่านจงเข้าถึงสิ่งนี้เนี่ยโดยหลักการมีอยู่เท่านี้นะแต่ทำยากที่สุดเลยนะท่านจงละสิ่งนี้จงเจริญสิ่งนี้บอกว่าท่านจงละอกุศลวิตกทุกชนิดเนี่ยนะจงเจริญสติปัฏฐานสี่หรือจงเจริญกุศลวิตกเนี่ยนะจง ละอกุศลวิตกจเจริณกุศลวิตตกหรือว่าละอกุศลวิตกแล้วเจริญ ส, สติปัฏฐาน avaş. ท่านจงละสิ่งนี้ท่านจงเจริญสิ่งนี้ท่านจงเข้าถึงสิ่งนี้เนี่ยเข้าถึงมรรคผลไปเลยเนี่ยนะเข้าถึงอสังขตธาตุคือพระนิพพานไปเลยนั้นสรุปโดยสาระคําสอนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นว่าแบบย่อๆนะจงละสิ่งนี้จงเข้าอจงเจริญสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้ะก็ผู้ฟังสมัยนั้นเข้าฟังเนี้ยเข้าจับเข้าใจได้เข้าบรรลุเลยเนีนะของเราก็ ยังไงโอ้ได้บุญแล้วนะได้อุปฏิสัยแล้วสักวันหนึ่งเค่หน้าเราจะละสิ่งนี้เอ๊ะมันก็น่าหงแหนอยู่เหมือนกันใช่ไหมน่าเสียดายออกมันจะละสิ่งนี้เอ๊ะไล่ไปไล่มาเหมือนกับว่าเอ๊ะอย่างสมมตินะใครมีบ้านมีอะไรก็เอ๊ะจะจัดของสันหน่อยอะไรไม่มีประโยชน์เนี่ยจะเอาทิ้งละคัดไปเอออันนี้ก็ดีอันนั้นก็ใช้ได้อันนั้นก็ไม่เลวเนี่ยนะคัดไปคัดม า, มาก็บอกเหลือเท่าเดิมเพียงแต่ว่าได้เช็ดเท่านั้นเองนะเพิ่มของเราก็เหมือนกันนะว่าเอ๊ะอาคุณวิตก มันดีหรือไม่ดีกันแน่ตอนฟังธรรมก็บอกอกุศลวิตกไม่ดีแต่ตอนอยู่คนเดียวเงียบๆเอ๊ะมันก็ไม่ได้เสียหายนี่ก็เลยคิดได้ไปเรื่อยนะนะปล่อยให้อกุศลวิตกได้ยาวถามว่าหีเรโอตาปะเกิดบ้างไหมตอนอกุศลวิตกหายากไหมแต่ทั้งหลายที่เกียดกันอากุศลวิตกด้วยหีเรโอตาปะมีน้อยนักนะนมี น, น, น, น, น, น้อยจริงๆพระพุทธเจ้าบางองค์นะที่จะสอนให้ละอากุศลวิตตกเนี่ยพวกองค์พาไปที่ไหนไะพาไปในป่าลึก แต่เียว่าคนยังไม่หมดกิเลสเนี่ยขนลุกเลยแหละ ว, วิธีสอนก็บอกว่าอยากคิดอย่างนี้จงคิดอย่างนี้อย่างสมัยพุทธกาลเลยนะถ้าถ้าเราศึกษาพวกประวัติของพระสงฆ์สาวกทั้งหลายพระสงฆ์เนี่ยที่ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะไปปฏิบัติเนี่ยตอนไหนที่ภิกษุเหล่านั้นมีอกุศลวิตกพระองค์จะเสด็จมาเลยเช่นปรักับพระโสนะไห้ดูก่อนโสนะเธอคิดจะสึกจริงหรือเนี่ย มีอยู่พระโสนะท่านคิดว่าเออท่านเนี่ยในบรรดาสาวกผู้มีความเพียร น, นะเราคนหนึ่งก็มีความเพียรแต่ทําไมเราไม่บรรลุแสดงว่าเราเนี่ยบุญน้อยฉั้นเราศึกไปให้ทานรักษาศีลก็ได้เหมงอนกันพระ อ, องค์ก็เสด็จมาเลยโสนะเธอคิดอย่างนี้จริงหรือพระเจ้าค่ะอัน น, นัเธอฉลาดในเสียงพินไม่ใช่หรืออยห็นไหมก็อุปมาพระสู่ที่เปรียบด้วยพินเนี่ยนะอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปเนี่ยนะเอาให้พอดีพอดี พระองค์ก็เลยว่าจงรู้นิมิตแล้วก็จงยังอินทรีย์ให้สม่ำเสมอก็คือปรับอินทรีย์นั่นเองพระโสดะก็ปฏิบัติแล้วก็ตอนหลังก็บรรลุเป็นผ้ารหารัสกับภิกษุอีกหลายรูปด้วยกันเนี่ยนะที่พระองค์ไปปรากฏเฉพาะหน้าปรากฏเฉพาะหน้าอย่างพระจูรบันโถกเนี่ยนะเอาผ้าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นเนีระโชหารณังระโชฮรณังเนี่ยพออินทรีย์ของท่านอ่อนระดับหนึ่งพระองค์ก็ปรากฏเฉพาะหน้าก็แสดงธรรมให้ฟัง หรือภาพโปติระเนี่ยกําลังพิจารณาวิปัสนาอยู่พระองค์ก็มาปรากฏเฉพาะหน้าและแสดงธรรมให้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยมีมากทั้งที่สูตที่กลุ่มอกุศลวิตกก็เหมือนกันพระองค์ก็มาแสดงธรรมต่อหน้าเพื่อห้ามอากุศลวิตกอย่างหนึ่งอย่างที่กรุงพาราณสีหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมาจากกับปวัตนสูตรจบพระยากูลธัญญาบลุโสดาบันท์วันที่สองพระวปปาวันที่สามมหานามะวันที่สี่ บันที่หนึ่งนะโกนธัญญาวันที่สองพัทธิยะสามมหานามะวัปะแล้วก็สุดท้ายก็คือพระสัชชิบรรุวรรลงวรรลงวรรลงคเนะี่ยบอกว่าพระ อ, องค์เนี่ยอยู่สอนกรรมฐานที่สูงเหล่านั้นถามว่าสอนอยังไงคือถ้าท่านไม่คิดนอกแนวอริยาศาสตร์พระ อ, องค์จะไปห้ามต้องคิดไปในแนวอริยาศาสตร์อย่างเดียวเอออันนั้นอย่าคิดนะต้องมาคิดอย่างนี้อันนั้นจงอันนั้นจงอยากคิดจงคิดอย่างนี้ ซึ่งสิ่งที่ท่านให้คิดก็คือกุศลวิตกกันนะเนคขา ม, มาวิตกอภิยาปาท้าวิตกอวิหิงสาวิตกคิดยังไงที่จะเห็นอ น, นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธค้ามมินีปฏิปทานั่นแหละพระองค์ก็จะให้อยู่กระร่องกระรอยในในกุศลวิตกทั้งหลายซึ่งสมัยพุทธการเขาฟังเขาก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติแล้วบรรลุในขณะเดียวกันก็มีพวกขี้เกียจแล้วไม่ค่อยอยากเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่น้อย นะไม่ไม่ค่อยอยากเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าฟังไม่ค่อยเข้าเฝ้าด้วยนะเดี๋ยวโป่งจะดักเราอ่ะเนี่ยนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยต้องพวกเขาหิ้วไปว่างั้นเถอะพวกเขาชวนไปบอกว่าท่านนี่อย่างงี้ไม่ไหวเลยนะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชวนกันไปอ้าวเธอพาพระพิสูจที่ไม่อยากจะเข้ามาทําไมว่างั้นนะโปองก็ถทำบอกพระพิสูรูปนี้กระสันจะศึกพระเจ้าข่าอู้น่าจะให้เขาเรียกว่าศพโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามี พราหันแม้ให้เขาเรียกภาคสั์จะศึกอย่างเงี้ยนะนี่ในเพราะเลยํานี่อย่างเงยพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยเมื่อก่อนเธอขยันนะชาติที่แล้วเธอขยันทำไมชาตินี้ขี้เกียจอะไรเงี้ยพระองค์ก็จะแสดงธรรมให้ฟังถ้าเป็นนั่นๆเป็นสมัยพุทธกาลที่พระองค์อนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ที่พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์เนี่ยโดยมากพ้นทุกข์หมดเลยเนี่ย น, นะพวกนี้ก็เป็นพุทธเวไนเนี่ย น, นะเป็นพวกที่พระพวกที่มีบุญ ทำบุญไว้ถึงขนาดพระพุทธเจ้าต้องสงเคราะเองนะก็เป็นผู้มีบุญมากในขณะเดียวกันเนี่ยจะว่าบุญของเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีใจอนุเคราะห์อนุเคราะห์ะก็มาจากคําว่กากรุณานั่นเองเพราะพระพุทธเจ้ามีกรุณาแล้วเขาก็เป็นผู้มีบุญจริงจริงเมื่อพระองค์มีกรุณาเขาเป็นผู้มีบุญเขาก็เลยได้ประจวบแล้วก็เขาเกิดในกาลสมบัติ แต่ในยุคลังหลังมาไม่ได้เป็นแบบนั้นของเราทั้งหลายนี่ก็โอ้ก็มีดีนะแต่ก็มีไม่ดีทั้งหลายตัวนะก็ก็กมีมีดีแล้วก็มีไม่ดีของเราเนี่ยนะเพาว่าพรหมมิหารนะ่งเจริญได้ทุกข้อเรียกว่าคู่ควรกับการเจริญพรหมมิหารได้ทุกอย่างเลยนะเจริญเมตตาหวังให้เรามีความสุขกว่าเรจริญได้เนะจริญกรุณาเนี่ยนะเจริญกรุณาต่อเราทั้งหลายก็น่าจะเ จ, จริญได้เจริญยังไง ก็ทุกคนเนี่ยอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าถามว่าเจริญมุทิตาได้ไหมได้เจริญยังไงก็ทุกคนเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเป็นต้นอันนี้ก็เจริญมุทิตาได้แต่ถ า, ถามว่ากลับไปเจริญกรุณาอีกได้ไหมได้แม้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแต่แม้เพียรศึกษาน้อยไปอันนี้ก็เจริญกรุณาอีกได้ก็เจริญสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ได้หมดแหละในขณะเดียวกันบางคนก็ต้องเจริญอุเบกขาเหมือนกันเพราะเขาไม่เจริญอุเบกขาแล้วคนเจริญจะป่วยเอง ว่าหมายว่าเหมือนเหมือนก็ไปวุ่นวายกับเขาเกินไปแล้วเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนี่นะหมายก็ว่ายานะก็ก็ฝืนบอกให้ทาก็ไม่ทาอย่างเงั้นะเพราะฉะนั้นคนสั่งไหละเลิกเถอะนเอาเก็บพลังความคิดไปทำอย่างอื่นเถอะไปหลีกงเล่นเถอะอยางนั้นนย้อนมาว่าพระพุทธเจ้านั้นการแสดงธรรมของพระองค์ก็แสดงอาศาทาอาทีนวะนิสรณะแล้วก็ผลอุบายอนัต นี่ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่ฟังอส า, าธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ยจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นคําถามและเป็นคําตอบคําถามคําตอบนั่นแหละเป็นปุจฉาตับวิสัชนาอันนี้สําคัญมากเลยอย่างที่ว่าตอนแรกว่าผู้ใดถามเรื่องศีลเป็นคนนั้นเจริญศีลเป็นคําว่าปุจฉาบางทีท่านใช้คําว่าปริปุจฉคตาปริปุจฉาเนี่ยนะโดยความหมายเหมือนกันหมายคําว่า ประสงค์เพื่อจะรู้โดยรอบประสงค์เพื่อจะตักความสงสัยทั้งปวงไม่ใช่สักแต่ว่าสติปัฏฐานคืออะไรเนี่ยนะก็ถามยังไงถามคนถามต้องฉลาดถามถามแล้วผลจะต้องรับว่าจะต้องเข้าใจสติปัฏฐานโดยบริบูรณ์เนี่ยนะใช้ประโยคคําถามแบบไหนควรจะมีกี่คําถามจึงจะรอบรู้ในสติปัฏฐานเนี่ยนะ ถ, ถ้าถามง่ายๆสติปัฏฐานคืออะไร ก็สติปัญญานเนี่ยโดยศักด์มีสามความหมายอยางเงี้นะก็ต่อไปนะแล้วก็ท่านจะประสงค์เอาความหมายในล่ะนะถ้าถามไม่เป็นก็ไปกันใหญ่เลยนะนั้นการถามเนี่ยสําคัญมากแล้วผู้ที่ถามเป็ น, นเนี่ยนะเขาจะถามอะไรโดยมากถามเรื่องอัศธาถ า, ถามอาทีนวะแล้วก็ถามนิสรณะเช่นเขาถามว่าข้าพระองค์นี้เป็นคนแก่แล้ว น, นะเป็น ข้าขอพระองค์จงสอนข้าพระองค์ข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงในระหว่างเลยให้ข้าพระองค์เนี่ยข้ามพ้นชาติาและชาราด้วยเถอดขอบรรลุที่นี่ด้วยนะนถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเขาจะไปถามลักษณะแบบนี้แล้วพระองค์ก็ตอบตอบแล้วเขาก็ทําได้ด้วยนะตอบแล้วก็ทําไ ด, ด, นะได้สมัยพุทธกาลเขาจะถามเนี่ยคํถาถามเขาก็ถามเกี่ยวกับอาสาธ า, าบ้างถามเกี่ยวกับอาทีนวะบ้างถามเกี่ยวกับนิสสนะบ้างว่าโดยรวมๆก็ถามอริยสัจสีนั่นแหละ มันพอเขาฟังจบเขาก็แทงตลอดอริยสัจในยุคลังหลังมาต้องการผลแบบนั้นบ้างเอ๊ะเข้าฟังแล้วเข้าบรรลุทําไมเราไม่บรรลุแปลกใจไหมไม่แปลกใจแล้วนะทําไมมันก็ไม่ ค, ควรบรรลุอยู่แล้วนะบางทีเราก็ยังไม่ค่อยรู้อริยสัจมันคืออะไรด้วยซ้ําไปแหมอยากบรรลุเอาบรรลุเอาถ้าเขาให้บรรลุจะเอากิเลสไปทิ้งไว้ไหนเนาอนะน่าเห็นใจเหมือนกัน ให้บรรลุนี่ม่รู้เอาเก็บไอ้ที่บรรลุเอาไว้ตรงไหนอีกเหมือนกันไม่มีที่เก็บเหมือนนะเหมือนกับว่าผู้ที่ขาดความเข้าใจกับลักษณะนั้นนั้นจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุเขาบรรลุ ด, ด้วยอะไรคือเขาแทงตลอดว่าอุปาทานขันห้ามีอัศทะนะแล้วก็อุปาทานขันห้าก็มีโทษอยู่นะเพราะผู้ที่บรรลุคือผู้ที่ตัดฉันทะราคะในอุปาทานขันห้าได้ ถามว่าเท่าที่เราฟังทำมานะเราคิดไหมว่าพอหรือยังที่จะเบื่อหน่ายในขันท่าถ้ายังนะวิปัสสนายังไม่ได้เลยจะกล่าวไปยายถึงการบรรลุนันะถามว่าพอหรือยังที่จะเห็นโทษในขันท่าถ้ายังถ้ายังก็ไม่พอที่จะบรรลุอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาทีนวานุปัสสนานิพพานุปัสสนาเนี่ยเป็นอุปนิสัยที่สําคัญแห่งอริยมรรคทั้งหลายถ้ายังไม่เห็นโทษในขันท่ายังไม่เบื่อหน่ายในขันท่า ยังไงยังไงก็ไม่บรรลุหรอกไม่สามารถที่จะตัดฉันทราคะในขันห้าได้เพราะที่สุดแห่งทุกข์ในศาสนานี้คือการกําจัดฉันทราคะในอุปาทานขันห้าสมัยพุทธากาลเนี่ยเขามีพระพิสุปลาพระสารีบุตรว่าจะไปจาริกนชนบทต่างๆพระสารีบุตรก็ถามว่านี่ถ้าหากว่าประชาชนทั้งหลายนะเข้าถามท่านทั้งหลายว่าท่านบวชในพระพุทธศาสนานเนี่ย ท่านบวชเพื่ออะไรพระภิกษุก็ตอบว่าที่มาเนี่ยก็เมื่อมาเพื่อจะฟังคําถะคําตอบตอนนี้จากพระคุณท่านนั่นแหละภาษารีบุตรพราะนั้นก็บอกว่าตั้งใจฟังให้ดีบอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพื่อกําจัดฉันทราคะถามว่ากําจัดฉันทราคะในอะไรก็ในอุปาทานขันห้าหรือในไอสลายตนะหกหรือว่าในมหาภูตรูปสี่นั่นแหละ ถามว่าถ้าไม่ตัดฉันทราคะในอุปาทานขันห้าเสียหายอย่างไรความเสียหายก็คือว่าผู้ที่ยังมีฉันทราคะพอใจติดใจหมกมุ่นอยู่ในอุปาทานขนันห้าโสกาป ร, ปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาต์มิใช่น้อยที่เกิดจากขันห้าเป็นปัจจัยเนี่ยนะสําหรับผู้ที่ยังติดห้องในอุปาทานขนันห้าทีนี้ถามว่าถ้าอ น, นิสง์อะไรละ่ะถ้าจะตัดฉันทราค้าในขันห้าได้ อนนี้สงก็คือพ้นโสกกระปริเทวะทุกโธมานัสและอุปาญาตถ้าเป็นที่อื่นถามว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงจะตัดฉันทะราคะในขันห้าได้เห็นนะก็เห็นขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาเป็นต้นถ้าใช้คําว่าเห็นขันห้าว่าไม่เที่ยงอันนี้เท่ากับประกาศสติปัฏฐานข้อไหน น, นะนนนนวเวทานาจิตตานุปัสสนาถ้าบอกว่าขันห้าเป็นทุกขเท่ากับประกาศ เวทนานุป de <as> ัสนาบวกกับกายานุปัสนาเนี่ยนะกายานุปัสนากับเวทนานุปัสนาเนี่ยแหละอมความว่าทุกเพราะอสุภะกับทุกขังในอันเดียวกันเนี่ยนะถามว่าถ้าขันท่าเป็นอนัตตาเท่ากับแสดงธรรมานุปัสนาเนี่ยนะนั่นผู้ที่ตัดฉันทราค่าในอุปาทานขันท่าได้ก็โดยการพิจารณาขันท่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เท่ากับแสดงสติปทานแล้วเนี่ยนะสติปทานเพราะจุดวัตถุประสงค์ของสติปฐานก็เพื่อแสดง ให้เห็นขันห้าว่าไม่เที่ยงด้วยจิตตานุปัสสนาแสดงเห็นขันห้าเป็นทุกข์ด้วยกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาแสดงขันห้าโดยความเป็นอนัตตาโดยธรรมานุปัสสนาทีนี้อนัตตก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มใหญ่ๆธรรมะตัวนั้นเนี่ยบางอย่างเป็นปหาตัปรธรรมนี่วนบัพาพานี้เป็นปหาตัปรธรรมนี่นะพ่อชงบัพพาเป็นพาเวตัปรธรรม ขันธบัพะอายตนะบพะเป็นปริญยยธรรมอริยสัตว์เนี่ยนะเป็นปริ ญ, ญยยาธรรมปหาตประธรมพาเวตประธรมสัชิกาตประรรมได้หมดเลยนั้นผู้ที่ฟังในสมัยพุทธกาลฟังแล้วเขาก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะเขาอ บ, บรมสติปัฏฐานอ บ, บรมวิปัสนาตามเห็นขันธห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างแท้จริงนั้นเขาว่าวิปัสนาในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ คือการมนุิการโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะเพราะวิปัสนานี่แปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งขันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เท่ากับประกาศอะไรสติปัฏฐานสี่อยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยนะเท่ากับประกาศทุกขสัพย์อยู่ในตัวสแสดงสติปัฏฐานสี่แสดงทุกขสัพ์เนี่ยโดยในยะเดียวกัน ประกาศความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็เท่ากับแสดงตัวที่เข้าไปเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาคือกายานุปัสนาสติปฐานเวทนาจิตตาธรรมานุปัสนาสติปฐานสติปฐานสี่ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังโพูดชงเจ็ดให้บริบูรณ์เนี่ยนะทีนี้การที่จะยังโพูดชงเจ็ดให้บริบูรณ์ได้นี่ต้องอาศัยอะไรอาศัยสัมมัปปธานสี่อิทิบาทสี่อินทรี่ห้าพละห้าพูดชจึงจะเจริญโพูดชงอย่างว่าได้ นนะถ้าจะรับสติปทานเป็นอาหารของพ่ชงเนี่ยนะทำยังไงล่ะสติปทานจึงจะเป็นโภชงได้ก็ต้องเจริญสัมมาปทานเจริญอิทิบาทอินทรีย์พละแล้วจึงจะเป็นโภอชงพ่อชงจะบริบูรณ์นี่แค่ไหนบอกวิชาและวิมุตติวิชาก็คืออริยมรรคนั้นอริยมรรคก็ทําให้แทงตลอดอสังขะธาตุโดยประการทั้งปวง <c oughs> นั้นที่สําคัญนะการฟังต้องเมื่อไหร่ที่จะทํากิจในอริยสัจ ถ้าการฟังใดที่ไม่เป็นไจเพื่อการมุ่งสู่การรู้อริยสัจสุตตะมยญาณยในปฏิสัมพิธาอ ย, ย่างไม่ได้เลยจะ ก, กล่าวไปใหญ่ถึงญาณอื่นเล่ามางั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเนี่ยนะโดยโดยความหมายของคําว่าทุกเพราะว่าอย่างชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ไม่เที่ยงนะ ม, มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุด แล้วก็เอกเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดเนี่ยนะสำหรับสักด์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีไม่มีเทพเจ้าตนใดที่จะทําให้ไม่ตายได้ต้องตายทั้งหมดเพราะโดยที่สุดแม้แต่เทพเจ้ายัางตายเห็นไหมไม่มีใครที่จะห้ามความตายได้ชีวิตที่จะต้องตายแบบนี้เนี่ยเกิดมาถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งโดยสภาวะด้วยแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขโทมนัตอุปายาตไม่ใช่น้อยเห็นไหม อย่างชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยนะเราได้ความเศร้าใจน้อยหรือมากเนี่ยนะก็ไม่ใช่น้อยนะได้รับความเศร้าใจไม่ใช่น้อยได้รับความลําบากทางกายไม่ใช่น้อยเสียใจก็ไม่เบาคับแค้นใจก็มากมายเนี่ยนะในขณะเดียวกันนี่ก็เศร้ามองในในในชีวิตเนี่ยด้วยราคะบ้า ง, ด, างด้วยทุจริตบ้างด้วยทิฏฐิบ้างก็วนวนปนป น, น, นอยู่อย่างนี้นี่แหละ เธอคำว่าทุกข์นั้น่ะเนื่องจากว่าชีวิตเนี่ยเป็นไปกับชาติชาราพยาธิมรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาชีวิตที่เป็นไปลักษณะนี้จึงเรียกชีวิตนั้นว่าเป็นเป็นความทุกข์เนี่ยนะเพราะเกลือยกล่วอยู่กับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายในขณะเดียวกันเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจครับแทนใจไม่สบายกายไม่สบายใจลำบากทางกายลำบากทางใ จ, งใจประสบกับสิ่งที่ไม่ต้องการบ้างพลัดพรากจากสิ่งที่ ต้องการบ้างก็วนๆอยู่อย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าเป็นเป็นทุกข์เพราะบีบคั้นคําว่าทุกข์เนี่ยบีบคั้นทุกข์นี้โดยแบ่งออกเป็นสามชนิดนะ น, นะทุกข์ทุกหมายถึงเจ็บปวดจริงๆ น, น, นะนะสองทุกข์เพราะวิปอ่าเพราะความสุขมันหมดไปความสุขหมดไปก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อย่างที่สามทุกข์เพราะไม่เที่ยงถึงจะธรรมดาธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงก็ ไม่เทีย่ยงคำว่าเป็นทุกข์คือตกอยู่ในทุกขกับทุก์วิปริณามะทุกข์และสังขารทุกข์เนี่ยนะชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาก็เป็นทุกข์อย่างนี้นี่แหละแล้วก็ทุกข์เหล่านี้ถามว่ามีใครมีอํานาจอย่างแท้จริงบ้างมีอํานาจต่อบอะขอไอ้ที่เกิดแล้วก็จงอย่าแก่ที่แก่แล้วก็จงอย่าป่วยที่ป่วยแล้วก็อย่าตายก็ไม่มีใครมีอํานาจได้ทางแท้จริงแล้วก็ ที่เกิดมาแล้วก็ขออย่าลำบากายยาบากายยาลำบากใจ ย, ยาเร่าร้อนทางกายขอให้มีความสุ ข, ขสโสดสมรสดีราบรื่นไปหมดเลยเป็นไปได้ไหมมีอำนาจจริงไหมไม่มีอำนาจจริงเนี่ยนเะทวสัมพันว่าเทวดายังเดือดร้อนเนี่ยจะกล่าวไปลายถึงมนุษย์เหล่าว่างั้นเ่ะเทวดายังเดือดร้อนยังแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่องจะกล่าวไปลายถึงหมู่มนุษย์เหล่าหมู่เดรชานเนี่ยจะเดือดร้อนมากกว่านี้นะักของมนุษย์ทั้งหลายฝนตกแดดออกก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าเดรชานเนี ถ้าฝนตกหนึ่งครั้งไม่รู้ตายกี่พันล้านแดดออกอีกก็ไม่รู้ตายกี่พันล้านอีกเนี่ยนะวันชีวิตของเขาเนี่ยเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มีพวกที่ทุกแบบเหมือนจะทุกถาวรเช่นในนรกเป็นต้นแล้วก็อย่างทุกตั้งแต่ถ้าแบ่งไปแล้วนะทุกในมนุษย์ทุกในเทวดาอ่ทุกในมนุษย์ ท, ท, ท, นนษยทุกในอบายทุกในเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าโดยรวมๆโดยอัฐสาระของทุกคือนี่แหละ ไม่เที่ยงอย่างหนึ่งทุกเพราะมันไม่เที่ยงอย่างหนึ่งทุกเพราะมันเจ็บปวดจริงๆในอย่างหนึ่งแล้วก็ทุกเพราะไม่มีอำนาจอย่างอย่างแท้จริง